มีปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอยู่อีกว่ามีหลายๆท่านมาถามว่าในขณะที่ตั้งใจพิจารณาอะไรอยู่เช่นพิจารณากายยตาสติเป็ดต้นแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่จิตจะพิจารณาอยู่ที่กายยตาสติกลับไปเอาเรื่องวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลก มาคนก็พิจารณาอยู่พิจารณาไปตามกระแสแห่งวิชาที่เราเรียนมาตามหลักกะวิชานั้นๆแต่รู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นจิตของเราจะดำเนินผิดไหมถ้าหากว่าชิงได้ิดชึ้นในขณะที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อม แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะรู้ก็ตามเป็นสิ่งเอื่นซึ่งปลากรดขึ้นในขณะที่จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมเมื่อสิ่งนั้นปลากรดขึ้นมาเราอย่าไปถือว่าจิตของเราเดินทางผิดให้เกิดเอาอสิ่งที่จิตกําลังพิจรารณาซุ้นตลาอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์ไปเลยไม่สั่งย้อนกลับมาหาเรื่องกายกตาสติอีก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 เพราวิชาความโล่นั้นจะเป็นอารมณ์ซึ่งเราได้มาจากการโล่ เ, เห็นด้วยตาหูจมูกเล่นกายใจในโมตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นอายตนะภายในท่านจัดเป็นธรรมะหมวดหนึ่งสิ่งที่เราโล่ด้วยตาหูจมูกเล่นกาย ใ, ใจแล้วไปรวมรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมควรที่จะยึดเป็นอารมณ์พิจารณาได้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 จากการภาวนานี้แม้เราจะทำสมาธิได้ดีวิเศษสักปันใดก็ตามหรือเริ่มปัญญาให้คล่องตัวมีปัญญาความรอบรู้หรือจะมีความรู้มากภายกาย ก, ายกองสักเพียงใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติสัมปชัญญะเพราะทมทั้งหลายเริ่มลงสู่กาม ถ้าเป็นฝายกุศลธรรมก็รวมลงสู่ความประมาทความไม่ประมาทเมื่อเราจะถามว่าความไม่ประมาทคืออะไรคือความไม่ปราศจากสติคือความมีสติคำอุปสนธ์ทั้งหลายเวมลงสู่ความประมาทเมื่อถามกันว่าความประมาทคืออะไรก็คือความขาดสติเพราะฉะนั้นความข้อนี้จึงเดินการสอง ตามให้กระดาษแจ้งว่าการปฏิบัติธรรม ท, ท้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังคล้อมเป็นสติพิณญาโยรเข้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเเรามีสติสัมปชัญญะรู้คล้อมเข้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นาอยู่ในจิต ผู้จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตก็มีความรู้สึกสํานึกขิตชอบผ่้ดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในจิตกะเรามีรู้อยู่ในจิตเมื่อพุทธะตัวนี้มันจะมีเป็นพลังแก็งกล้าขึ้นจนกระทั่งสติมีความเข้มแข็งเลยละอียดยิบมีพลังที่ไม่วันไหว เจตของผู้พระพุาก็จะกลายเป็นพุท ธ, ธะผู้รูผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตรลรกคณกรมเกพระพุทธรธรรมพระสงฆ์สอดร้อนเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอวาทธรสั่งสอนของพระศถาโตเจ้านิวิถีสัตโ์มีความมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยในวิถีเบโมมีความรักมั่นในคุณพระลัตนตรยัย อาตาทีตมีตนเป็นเกาะอัตะสราณามีตนเป็นที่พึ่งพระตนของตนกลายเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยประกาะนี้จิตเวิญนญาณและร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่จิตเวิญญาณและร่างกาย มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อจิตจตวิญนญาณอันนี้ไปเที่ยวยึดอะไรเปปะไปโดยไม่มีความมั่นใจเป็นโอกาส ท, ที่ให้เป็นเป็นช่างโวที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทรกสิ่งได้ โดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่เจไปเที่ยวเ ย, ยึดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ่นกายในใจหาอะไรเ ย, ย็ดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้พออะไรผ่านเข้ามาก็เย็ดย็ดเยดเย็ดเย ด, ย ด, ย ด, ยดในเมื่อจิตวิญญาณของเราไปเยึดสิ่งอื่น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 เราจึงมาฝึกสมถานด้วยวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสัง่งสอนเมื่อเราไม่มีสิ่งยึดอย่างเหนียวแน่นมันก็กลายเป็นจิตสวิญญาณที่โลเลยึดโน่นบ้างยึดนี่บ้างจับนี่วางโน้จนจับโน้นวางนี่ไม่มีความมั่นคงในสิ่งที่ยึด จึงเป็นช่างหูให้วิญญาณอื่นเข้ามาสิงได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวถ้ามีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโดยทั่วไปผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้จะให้ได้ศรรพที่พึ่งอย่างแค่จริงต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นพิเิษเราจึงมีการปัจจิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เขาโอกาสที่เราทำความดีท่าเจ็ดทั้งท่านก็ได้มาย็ดมั่นอยู่ในคนเราผู้ใจจ้าและทำเราส่งอย่างเหนียวเน่นโดยไม่หวั่นไหวเวิยน ญ, ญาณต่างๆไม่มีโอกาสที่จะเข้ากระทับส่งได้มาแต่สำนัก ท, ทรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกรุงเทพเคอยนิมนต์พระบางองค์ซึ่งเป็นนักปฏิบัติเข้ามาร่วมพิธีการบางเอญระท่านนั้น นกสนุกขึ้นมาก็กำหนดจิตตัวว่าจะมีเจ้ามาส่งจริงหรือเปล่าเมื่อกำหนดจิตทำจิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วมองเห็นเจ้าแห่กันออกมาจากสารพากันล้อมโลกโคกขานแย่งกันจะเข้ามาประทับสงระคนเจ้าเกิดลำการกลัวเจ้าจะตีกันหัวร่างข่างแตกจึงกำหนดจิตห้ามไม่ให้เจ้าเรานั้นมาส่งทำเอาเจ้าสำนักต้อง ประสบความล้มเหลวเพราะได้ประกาศไปแล้วว่าจะเชิญเจ้าโน้นเจ้านี่มามาประทับสงเราฉะนั้นถ้ากว่าท่านผู้ใดมายึดปราพุทธรรมประสงค์เป็นสารณะที่พึ่งอย่างเหนียวแน่นเจ็ดของเราก็มีสารณะมีที่พึ่งมีที่ยึดเมื่อเราพุทธธรรมประสง์นี่เราเยึดอย่างเหนียวแน่น ภายล้างมาจิตทองเราจะกลายเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำสมาธิจิตสงบสว่างลงไปเมื่อไรเราอยากจะมาไปมองดูหน้าเจ้าตามสถานที่ต่างๆส่งกระแสจิตไปแล้วะมองเห็นเจ้าทั้งหลายนั่งดวดเล่ากันอยู่เป็นแถวๆปัญหานี่ขอให้คำตอบนี้ <c oughs> นมันสการถามนี่เป็นปัญหาข้าสองเรื่องเข้าทรงอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเข้าทรงอีกเหมือนกันบอกว่าเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อประมลงังสีเทพพระอาธมหลวงปู่ต่างๆและบอกว่าจะไม่เกิดอีกแล้วแท้จริงอย่างไร อันนี้เราปัญหาเหล่านี้ไม่อยากจะตอบให้มันกว้างฟังจนว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาของเราดังออกเป็นสองประเทศประเทศหนึ่งยึดพราไตรสรนาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรนาที่พึ่งที่ระลึอกอย่างแท้จริง โดยมีนักโยตายที่จะสร้างตัวเองให้มีภูมิจิตภูมิใจเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงและเอีกดพวหนึง่ง ป, ปัิญาณตอนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจริงศาสนาะแต่ว่าเมื่อการประพฤติหรือจิตใจยังหวังเพ่งๆ่งหลวงพ่อพระพรมพระเทพพระอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็ เป็นความพอใจหรือความสมัครใจหรือความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้นในเรื่องอย่างนี้สะทุกมากาไปก็ใกล้ๆกับว่าโจมตีกันหรือทําลายผลประโยชน์กันเขาอบอกเปรี้ยงว่าคนนับถือพระพุทธศาสนาของเรานแยกออกเป็นสองประเทศพวกหนึ่งยึดมั่นในพระนนรัตนตรัยจริงๆอีกพวกหนึ่งยึดในพระนนรัตนตรัยทั้งหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายด้วยเราจะนํามปัญหาที่ เกิดมีการทรงกา ร, รบรรทัดทรงอะไรต่างๆนี่ก็มีมันๆอย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพเจ้านับถือหลวงพ่อผู้หรือเจ้าโนนเจ้านี่ในเมื่อทำพิธีทรงขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการส่งหากเราจะมั่นต่อพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้าทรงเราได้ ทำไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโดยปกติเราไม่มีใครรู้เห็นด้วยกับผู้ที่บอกเราที่นี้วิถีชีวิตของคนเราจะมีอันเป็นไปต่างๆในเรื่องอดีต ใช่อย่างสมมติว่าตั้งจะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยวิถีชีวิตพวกเราเป็นป่าอย่างไรอย่างไรพวกทรงเหล่านั้นเขาสามารถที่จะบอกได้แล้วเรื่องที่ว่าในชาติอดีตเป็นอย่างนั้นในชาติอดีตเป็นอย่างนี้เขาก็บอกได้บอกได้นะ่ะบอกได้แต่ว่าจะผิดหรือถูกนั้น เราก็ไม่กล้ารับรองและเขาเองก็ไม่กล้ารับรองถ้าอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยมีใครมาบอกว่าให้ตั้งดูวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วว่ามีความสุขสุดอย่างอย่างไรเพราะอาศัยความเชื่อถือความเลื่อนใสหลวงพ่อหลับตาลงทับนึกอยากได้กติสวยๆโอ้ยปู่ย่าตายายของคนนี้ไม่มีที่อยู่เลย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 พระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนใครหมดแต่เมื่อไม่มีใครมาทูนถามพระองค์จะไม่เทศเช่นอย่างเรื่องเทวดาบูชาดอ ก, บกออ เ, อก เ, ก เ, เาบาก้มกเมียงสีดอกก็ไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายท่านบอกขราไปเยี่ยมสวรรค์ไปเห็นเข้าแต่ไปถามโลกความแล้วก็มากราบทูนพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือคนบูชาดอกเบาก้มสีดอกไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมาย พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเออหมกคันลาเป็นพยานของเราแล้วเรียกทสูนทั้งหลายมาประชุมเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือจึงไม่แสดงทีนี้เทพบองค์ไม่แสดงก็ไม่มีหลักฐานพยานสาวกของพระพุทธจาก็จะปฏิสงสัยจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นในไหนแม่หลักฐานพยานไม่มีก็แสดงดักแต่ อันนี้อันนี้ขอให้คาตอบเพียงแค่นี้พูดมาไฟมันทำลายประโยชน์ของคนออ่อนี่ปัญหาใ น, นอีกปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมาฐานนั่นจะมีแสงเหมือนกันเหมือนไฟฟ้าออกจาก อ, อะไรไฟฟ้าสะเก็ดออกจากเสื้อผ้าและผ้าห่มนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไรอื่อทากรรมฐานเมื่อบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิถ้าสมาธิอ น, นันประกอบด้วยวิตกพิจารปีติสุขเอกตขะตาหรื อ, อยังไม่คร่อมก็ต า, ามแสงยุกยุยยยยจิกๆบสะบังเกิดขึ้น ปรากฏในสายตาของท่านฝุ่นั้นอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีใจอ่อนแต่สําหรับบางท่านไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจสงบลงไปจริงๆแล้วจึงเกิดมีความสว่างสบายขึ้นหรือบางท่านความสว่างสบายรู้สึอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เมื่อใจสงบลงไปแล้วรู้สึกมีความแจ่มแจมกระยิ่มยิ้มย่มยองอยู่ภายในจิตอันนี้ซึ่งแล้วแต่ อุปนิสัยของผูู้ใดจะเป็นไปเช่นนั้นแต่ขอยืนยันว่าสมาธิที่มีพลังงานอย่างเต็มที่จะต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายหมายถึงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานขั้นฌานถ้าสมาธิเดินฌานอย่างแท้จริงต้องมีความสว่างสบายถ้าสมาธิเดินขา้นวิปัสสนามีความคิดเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาแท่สติเฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดเวลา ความสว่างสบายอย่างว่านั้นจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่จังหวะของจิตมีแต่ความจำจและความรู้ธรรมอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิที่เดินขั้นวิปัสสนาในมาโกตะถึงตรงนี้ก็ขอย้ำอีกที่ว่าความฌานฌานหรือสมาธินี่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 เรียกว่าอารัมมโูปนิชฌานเมื่อจิตอยู่ในฌานแบบเปรตสีจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวเช่นอย่างเท่งเกษิ์ก็ไปรู้อยู่ที่อุกขหานิมิตถ้าเห่งอัภาพกรรมฐานก็จะไปรู้อยู่ที่โครงกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าหากว่าไม่มีสิ่งรู้จิตก็จะรู้อยู่ที่จิตแล้วสว่างสวัยอยู่อย่างไม่มีจุดหมายร่างกายจนตัวหายไปหมด ภูมิความรู้เหตุลู้ผอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นมีแต่ความว่างถายเดียวอันนี้เป็นสมาธิแบบชาลูสีสมาธิแบบชาลูสีนี้เป็นบาดพื้นให้เกิดวิปัสสนาถ้าเมื่อเราอยู่ในชานลูสีถ้าจิตของเราออกจากชาลูสีพอรู้สึกว่ามีกายปรากผลขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาพัดผูกภาวนาธรรมสติกําหนดตามรู้ไปแล้วชาลูสีจะกลายเป็นพลังส่ง สนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัสนาได้อย่างแน่วแน่อันนี้รอจากความฉลาดของผู้ปฏิปัติทีนี้ในเมื่อจิตของเราถอนออกมาจากสมาธิเช่นนั้นมากําหนดหมายความคิดอ่านเป็นอารมณ์เครื่องรู้แล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อเกิดวีตกวิจารขึมม้นมาเมื่อไหร่คือจิตคิดเองสติตามรู้เอกทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมาเจอกันพอดี ความเคิ ด, ดกับคิดต้นสติก็ทําหน้าที่จ่อกจันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นวิตอา่าเมื่อมีสิวิตกวิจารเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สองเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีติและความสุขจะเกิดเป็นไปอาจจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีติและความสุขจ้ามเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นฉชนนั้นจิต มีสติจดจอยู่กับความคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกลายเป็นเอกับข่าเพื่อจิตทำหน้าที่ของจิตโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงสติจิตก็ทำหน้าที่คิดพิจรารณาสติก็ทำหน้าที่ของสติแล้วลักษณะความดูเติมพระธรรมคือปีติและความสุขก็เกิดพร้อมอยู่ตลอดเวลา ตามเป็นหนึ่งของจิตตามเป้าหมายของฌานในขั้นนี้ไม่ได้หมายคามว่าหนึ่งจิตโดยไม่มีความรู้ไม่มีสิ่งรู้แต่สิ่งรูน้นีปรากฏอูตลอดเวลาใจจิตก็หนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันเรียว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานในวิปัสสนาเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งรูลึก เมื่อเจตทานชานที่หนึ่งที่สองไปแล้วจนกระนั่งเข้าไปสู่ชานที่สี่กลายเป็นชานที่ห้าจิตจิตตัวขึ้นหนีจากร่างกายลงไปแล้วไปแล้วทุกเสียงทุกอย่างหายไปหมดในช่วงที่ทุกเสียงทุกอย่างหายไปหมดนั้นจิตอยู่ในชานที่ที่ห้าอาตาสานันจายตนะเมื่อเจตหวนที่จะมาเย็ดประจานเป็นสิ่งรู้ กลายเป็นโคลตรดปูยานเสิ่งลูกความเจ็บปลากรขึ้นมาทันทีบางทีเปรียบเหมือนว่าจิตลอยเด่นอยู่เหนือโลกแต่มีกระแสมองดูโลกทั่วหมดทั้งโลกบางทีปลากรมีกายตายลงไปจิตดูอยู่ที่ความตายนั้นแล้วก็รู้ไปตลอดจนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายทั่วไปไม่มีอะไรเหลือ หรือ่บางทีจิตก็มีสิ่งรู้ที่ผ่านก็ามามีลักษณะเหมือนเมฆหมอกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาวนรอบจิตจุดตลอดเวลาจิตตัวนี้อยู่ในอริยมรรคเอภายโนมัคูเขาตั้งตัวโยนหยัดอยู่ในความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่และไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งนั่นนนที่ผ่านเข้ามา แม้สิ่งนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามข้าวควรู้สิ่งนั้นอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติปัญญ์ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นความรู้ในขั้นนี้จึงกลายเป็นความรู้ขั้นโลกุตละความรู้ขั้นโลภุตละหมายถึงความรู้ที่ไม่มีสมมติปัญญิ ทีนี้น้มื่อเจ็บไม่มีสมมติความอยาเทุกสิ่งโลภทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนก็จิตตัวที่ละเอียดั่นหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่ออบรมตัวเองเพราะเจ็บปรุงแต่งขึ้นมาสังขารตัวนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเจ็บไม่เย็บมันก็กลายเป็นวิสังขารจนแต่เพียงสิ่งโลภของจิตสิ่งโลภของสติรโลละก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรค ฌานในอริยมรรคในเรียกว่าลักคนโอปนิชา น, านพระเจําหน้าที่จําเนดิดโลกสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครโลกเห็นธรรมะในขัานนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผกพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปื่อยผกพังมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่ว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามีจะรู้อยู่โดยท่ายเดียว เราจะน้อมความรู้อันนี้ทําจึงเรียกว่าสังขารขั้นวิสังขารเป็นความปรุงแต่งของจิตขั้นละเอียดจิตที่ปรุงแต่งอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงมีประเด็นว่าสิ่งทุลุสิ่งทิศลุก็เป็นอันหนึ่งจิตตัวผู้ลู้ก็เป็นอันหนึ่ ง, ตตนนนงในช่วงนี้แหละนักภาวนาทั้งหลายจะไปเข้าใจว่าสิ่งลู้ทั้งหลายนี่มีที่พระเจ้ามีอะไรบันดาลให้กมา ตรงแต่งมาให้เรารู้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าจิตตัวมีปัญญาละเอียดมันตรุงขึ้นมาสอนตัวมันเองในนั้นี่นจิตไม่มีความสําคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมีแต่รู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นธาตเม็ตรอาจจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นร่างศพที่เน่าเปยผุพังแต่นี่เป็นร่างที่สวยงามที่สุดในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จิตจะไม่สําคัญไม่มีความเอียงลําเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสีย มีความรู้สึกเสมอกันหมดทีนี้แม้ว่าจะไปรู้กฎของบุญของบาปอะไรต่างๆก็ดีแต่ถ้าว่าตามดีความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปรากฏเพราะในขณะนั้นจิตเป็นกลางแลเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สําคัญมั่นหมายในสิ่งดี ส, งสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญเนี่ย เป็นสิ่งที่ยุงดวงจิตของเราให้สูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกฎที่จะท่วงดวงจิตของเราให้ต่าลงคําว่าบนบาปไปหายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญัติเพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติใอมาไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสมมติปัญญัติในที่สุดนิพานังพรามังมกุศลยังไปหมดให้มีใครสำเร็จพันิพนัณน บนบาที่ทําลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรสักแต่ว่าทำเท่านั้นนิยตาิชาทิติมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอเง้นนักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวังปัญหาต่อไปการทําบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไรการทําบุญนอกเขตบุญในพระพุทธศาสนามีขอเกตัํากัดเตียงแค่ว่า ไปทําบุญกับนักบวชศาสนาอื่นมีความหมายเพียงแค่นี้ซึ่งถ้าจะถามตอบไปว่าไปทําบุญกับนักบวชศาสนาอื่นจะได้บุญไหมได้การทําบุญไม่เฉพาะที่จะมาทํากับพระกับสุก์ถ้าท่านผู้ใดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะหิ้วเป็นโตไปถวายหลวงพ่อในวัดหรือไม่มีเวลาที่จะออกไปตักบาตาบานให้ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเรา ได้บุญและทําบุญกับคนอื่นๆให้แก่นคนกำพาอาณาจากย์นขอทานตกพวกได้ยากได้บุญทั้งนั้นแม้ทําบุญนอกพระพุทธศ า, าสนานี่ก็ได้อยูแต่ที่ท่านกว่าทำบุญนอกศ า, าสนานอกศาสนาเนี่ยหากว่าใครไม่นิยมที่จะทํามันเป็นเรื่องคิดติดมานะเรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขา โดยมาจิตใจของเรามัน่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเราสงฆ์เรากราบลงในบทสลั่งมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมเระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเระสงฆ์ในใจมีถ้าไม่มีในใจไปกาบที่ไห น, นก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นไหญ่อย่าไปรังเกียจเวลาเขาชวนเข้าโบทเข้าทำพิธีก็เอาทําไปก็รับแต่ใ จ, ใจเรานิ่ถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่อยู่สียหา